พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เนี่ยสเสด็จพุทธดำเนินมายังหนทางนั้นการรับสเสด็จก็ดำเนินไปเพรีคือกลองทั้งหลายก็ประโคมมนุษย์ทั้งหลายก็บันเทิงใจแล้วพากันแซ่สองสาธุการสาธุสาธุว่าไงดีแล้วดีแล้วอะไรดีอะไรดี สาธุสาธุนะจําไว้เลยว่าคที่ไหนสาธุสาธุการแบบเนี้สาธุความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าสาธุความเป็นธรรมดีของพระธรรมเพราะเป็นธรรมที่นําออกจากทุกสาธุความปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายทุกคนก็สาธุสาธุสาธุแบบเข้าใจความหมายว่าดีแล้วดีแล้วดีจริงๆแต่ศีลังกาพวกศีลังกาเขาไงนะสาธุดูคล้ายๆกันเลยาจะออกทอทหารเขาไม่ค่อยออกไอ้ทอธงเขาไม่ออกแบบแบบเราอ่ะนะ ก็ภาษาของใครก็ของใครนะอย่างนโมตัสสะถ้นโมตัสือยังไงมันจะออกสื่อนิดเดียวแต่ว่านี้ก็สาธุการแปลว่าอนุโมทนากันแล้วกันแล้วกันก็เอาแต่อัฏถะเนี่ยนะอย่าไปวุ่นวายกับพยัญชนะเกินไปพวกเทวดาก็เห็นพวกมนุษย์เนี่ยนะถ้าใครอยากเห็นเทวดาต้องไปสถานที่ตรงนั้นนะจะเห็นหมดเลยเทวดาก็เห็นมนุษย์มนุษย์ก็เห็นเทวดาแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าน่าสนใจไม่มีใครสนใจเทวดาเท่าไหร่เลยนะดูพระพุทธเจ้าดีกว่า เทวดาและมนุษย์ทั้งสองพว ก, ก้อประคองอัญชลียกมือท่วมไม่รู้ อ, อะไรดอกบูชาใช่ไหมบางพวกมีดอกไม้ก็ถือดอกไม้เดินตามนะบางพวกก็มีสินิ้วอันรุ่งเรืองเดินประคองอัญชลีตามพระพุทธเจ้าตามพระตถาคตตามพระภิสุส่์ตา ม, ตามหลังเข้าไปพวกเทวดาก็บรรเลงด้วยดนตรีที่พวกมนุษย์ก็บรรเลงด้วยดนตรีมนุษย์เทวดาและมนุษย์ทั้งสองก็บรรเลงดนต ร, นตรีตามเสด็จพระตถาคตเนี่ยนะ ดนตรีอันนี้ไม่ใช่ดนตรีร็อกอะไรพอที่มันส่งเสริมอักขุสนนะแต่ว่าเป็นดนตรีที่เป็นเสียงเป็นพุทธบูชาเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าการบูชาพระพุทธเจ้าปลารบสีปรารบเสียงปรารบกลิ่นปรารบรสปลารบโหตภะก็ได้เพออราะปรารบสีเช่นดอกไม้ทั้งหลายที่มันดูงดงามเนี่ยอนนี้ถวายสีเป็นพุทธบูชาบางอย่างก็ถวายเป็นเสียงเช่นเสียงกลองเสียงดนตรีทั้งหลา ย, ลา ย, ลายต้งแต่งต้งแต่งคนก็ชอบถวายระฆังเนะี่ยนะจำเล็กระฆังก็ไปแขวนไว้ตามศาลาเป็นต้นเนี่ยนะ ระคังบอกระครังเขาดังไหมบ่เราไปตีดูกันแล้วกันก็มีบูชาเสียงระครังบ้างเสียงกระดิ่งเสียงกลางสะ دان หรือแม้กระทั่งเสียงกล่าวธรรมเสียงเชิญชวนเพื่อการฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนะก็เราบูชาด้วยเสียงพวกบูชาด้วยกลิ่นก็ใช้น้ําหอมทูบทูบก็สัญลักษณ์ของของหอมเป็นต้นหรือบูชาด้วยรสทั้งหลายเช่นอะไรปลาราะรว่าอันนี้รสอร่อยรสดีเป็นต้นก็เอาน้อมไปเป็นพุทธบูชา หรือบางพวกก็ปรารโภโพธิภะเช่นอ อ, อาหารนี่เย็นดีร้อนดีกำลังดีเป็นต้นก็อไปบูชาเรปรารภสีเสียงเกลี่ยนรถก็ได้พวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ปรารภเสียงเป็นพุทธบูชาในอากาศพวกเทวดาเหล่าเดินหนนเรียกว่าเดินหนแปนว่าเดินบนอากาศแต่ไม่เห็นตัว ถามว่าทําไมเทวดาเหล่านั้นจึงไม่ปรากฏตัวถ้าปรากฏตัวก็เหมือนกับเดินสูงกว่าพระพุทธเจ้าต้องหายตัวแต่ก็โปรยดอกไม้นั้นดอกไม้ก็จะโปรยลงมาโปรยลงมาโปรยลงมาเหมือนกับอะไรเคยเห็นน้ําพุไหมก็เหมือนน้าพุมันพุ่งโปรยใสย่โปรยใส่อย่างนั้นนะ่ะพูดอย่างไปเห็นมาเองงั้นนะ่ะนะก็อ่านตามคำภีรว่าตามคำภีอย่างนั้นพวกดอกมณทารบดอกปฐุมดอกปริชตะกะอันเป็นของทิพย์เนี่ยนะ พวกนั้นก็แผ่กระจายไปทั่วที่สานุทิตในอากาศพวกเทวดาเหล่าเดินหนก็โปรยจุนจุนเนี่ยก็คือพวกแป้งฝุ่นเนี่ยนะแป้งฝุ่นของหอมและของหอมอย่างดีอันเป็นของที่ไปทั่วที่สานุทิตพวกมนุษย์ที่ไปตามภาคพื้นดินก็ชูดอกจำปาดอกจำปาดอกอะไ ร, รไดหดอกรัตนทมะดอกจำปาในสายพันธุ์เดียวกับรัตนทม์นะมันพวกดอกรัตนทมก็มาบูชาเพราะว่า คือสีลังกาเนี่ยรั่นทมมันเยอะนะนะเราพวกดอกรั่นทมเนี่ยมันเยอะแล้วก็อินเดียก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังเยอะอยู่หรือเปล่าแต่บางแห่งเนี่ยอย่างเช่นแถวภาคภาคใต้เรานี่จะมีดอกรั่นทมเยอะนะที่ที่ภูเขาที่มันหินเยอะกว่ดินอ่ะจะมีดอกรั่นทมเนี่ยขึ้นเยอะดอกช้างนาวดอกกระทุ่มดอกกระถินพี่มารดอกบุญนาคดอกเกศทั่วที่สานุทิตนะนะก็สรรหาดอกไม้ที่มันมีอยู่ในสเราก็เปื้องผมนะ สุเมศบัรดิตก็เลยเปลื้องผมปูลาดผ้าเปลือกไม้และท่อนหนังลงบนเปลือกตมในที่นั้นนอนคว่าหน้าแล้วมางอนไห้ใครจะไปเดินเหยียบนะนะนอนคว่ําลงไปบอกว่าด้วยประสงค์ว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้ากับสิทธิ์ทั้งหลายจงเหยียบเราเสด็จไปอย่าทรงเหยียบที่ตมเลยข้อนี้จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เรา มีถ้อยคำที่อธิบายเพิ่มอีกเล็กน้อยที่บอกว่าเราเนี่ยได้ยินคำว่าพุโทโธก็ปีติทราบซึงโสมนัสมีใจคิดขึ้นในขณะนั้นว่าจำเราจะต้องปลูกพืชทั้งหลายในพระพุทธเจ้าทีปังกรพระองค์นี้ขอขณะ่ะได้ล่วงเลยเราไปเลยคือหาโอกาสจังหวะดีๆแบบนี้มาจากที่ไหนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในโลกสองเราก็ได้เป็นมนุษย์สองได้สได้พบพระพุทธเจ้า และมีโอกาสทำพุทธบูชาแบบนี้หาที่ไหนถามว่าถ้าเราเกิดนรกเกิดในนรกมีโอกาสแบบนี้ไหมไม่มีแน่ถ้าเราเกิดเป็นเดระชานทั้งหลายจะมีโอกาสแบบนี้ไหมไม่ได้โอกาสถ้าเราไปเกิดเป็นเดชาเป็นเดชะชานทั้งหลายจะมีโอกาสแบบนี้ไหมไปเกิดเป็นพวกนกกระจิบนกกระจาบเป็นต้นจะมีโอกาสทำบูชาแบบนี้ไหมถ้าไปเกิดเป็นพวกอสัญญสัตตาพรมจะมีโอกาสแบบนี้ไหม ถ้าหากว่าไปเกิดเป็นพวกมนุษย์ปัจจันต์แชนบทพวกมีลักขณะทั้งหลายจะมีโอกาสอย่างนี้ไหมนี้ถ้าเราไปเป็นพวกมิจฉาทิฐิอยู่ในมัชิม ช, ชนบทเราจะมีโอกาสแบบนี้ไหมถ้าเราปัญญาอ่อนบ้าใบบอดหนวกเป็นต้นจะมีโอกาสแบบนี้ไหมบัตรนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระธรรมพระองค์ก็แสดงออกมาบัตรนี้เราก็เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธเจ้าเพราะนนั้ขณะอันนี้อย่าได้ล่วงเลยเราไปเลยแค่ว่าวประชมขณะที่9้าเว้นอักขณะ8ปประการ พันขณะที่9อันนี้เนี่ยนะที่พบพระพุทธเจ้าเราเป็นมนุษย์แม้ที่ประจบกันเนี่ยหาได้ยากอันนะตามอังคุตระนิกายอัฏฐการนิบาติอักคณนะสูตรเล่ม37เนี่ยว่าไว้กั น, นพันยากมากอันนะัที่จะได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าอย่างของเราทํำยังไงจะได้พบพระรูปปกายแบบนั้นนอกจากพบพระธรรมคําสอนเท่านั้นพบสถานที่พระพระบรมสารีริกธาตุก็หวังได้แค่นี้จริงๆเพระถ้าจะไปพบแบบนั้นก็น้องอ่ะต้องไปโน่นอ่ะไป ไปให้พญานาคที่พระเจ้าอาโศกบอกว่าเนรมิตให้ดูนอยอย่างเงี้ยนะในหน้า206จากนั้นท่านสุเมศบัณดิตก็นอนอนอนบนหลังเปลือกตมแล้วก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าเราเพ่งปรารถนาไซถ้าต้องการนะเราก็เพ่งเป็นสังฆนวกกะพระภิกษุใหม่รูปสุดท้าย ในในในกลุ่มเนี่ยนะในกลุ่มี่แสนเนี่ยเราจะเผากิเลสทั้งหมดแล้วเข้าไปยัง ร, รัมมนครถ้าต้องการแต่เราไม่มีกิจที่จะเผากิเลสแล้วบรรลุพระนิพพานด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักนะถ้าอะไรเราพึงเป็นเหมือนพระทีปังกรทศพลคือคือท่านอยู่ในฐานะตอนนั้นนะท่านเลือกได้ท่านจะเลือกเป็นแบบพระภิกษุอรหันต์เหล่านั้นก็ได้ หรือจะเลือกเป็นแบบพระพุทธเจ้าถ้าเลือกเป็นพระพิสุอรหันต์เป็นพระอรหันต์เดินต้อยๆ ต, ต, ตามหลังองค์เราเนี่ยไปทันทีไม่นานทพ่วหมายว่าฟังไม่เกินสองบรรทัดว่างั้นแต่ไม่เอาจะเอาแบบพระพุทธเจ้าแบบเดียวกันกับพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าว่างั้นเราพึงเหมือนพระถีปังกรทศพบลบรรลุปรามาพิสัมโพธิยานเนี่ยนะ ประมาศก็คืออันยอดเยี่ยมยอดยิ่งอภิสัมโพธิยานก็คืออรหัตตมัคคายานเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญยุตยานที่ยอดเยี่ยมไม่มีอย่างอื่นจะยิ่งกว่าแล้วขึ้นสู่ธรรมะนาวาธรรมะนาวาคืออริยมัตยังมหาชนให้ข้ามจากสังสาระสาครคือขันอายตนะธาตุแล้วจึงปริเนภานในภายหลังท่าอย่างเนี้ยเป็นการสมควรแก่เราเครียกว่าเหมาะแก่เราถามว่าเหมาะแก่เรายังไงเดี๋ยวข้างหน้าจะกล่าวอีกต่อไป จากนั้นท่านก็ประชมุมธรรมะแปประการพอดีลงนอนทำอภินิหารเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าคือตอนนั้นเนี่ยประชุมองค์8ดได้เรียบร้อยเลยนะองค์8เช่นมนุษสต์ตังลิงคสัมปติเฮสุสัทธารธสนังเนี่ยที่จะกล่าวต่อไปมีข้างหน้าก็ประชมุมองค์แดครบถ้วนสมบูรณ์เลยตั้งความปรารถนาะอภินิหารแปลว่าความปรารถนาะเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า พระ อ, องค์ก็เลยตรัสเล่าให้ภาษารีบุตรฟังว่าเรานอนเหนือแผ่นดินแล้วใจของเราก็ปริวิตกวันนี้ว่าวันนี้นะถ้าเราปรารถนาเราก็พึงเผากิเลสทั้งหลายของเราได้นะจะเจริญโสดาปติมักจนถึงอรหัตตมักไม่ยากเลยแต่ประโยชน์อะไรของเราด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักด้วยการทำให้แจ้งธรรมะในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เราจากบรรลุพระสัพพัญยุตยานเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกประโยชน์อะไรของเราด้วยบุรุษผู้เห็นกาลังอะไรหรือผู้มีกำลังเนี่ยนะจะข้ามสังสาระสาครแต่เพียงผู้เดียวคิดว่ามีมีกำลังขนาดนี้แล้วข้ามคนเดียวแหมมันก็การะายอยู่ใช่หออกรถมาคันบเบรมเลยนั่งคนเดียวอย่างเงี้ยเต็มถนนไปหมดมันก็การะจายอยู่ มันเราจักบรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วจักยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามสังสาระสาครทะเลคือขันธาตุอายตนะเนี่ยข้ามยากที่สุดเพราะฉะนั้นจักบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าและช่วยให้สัตว์ทั้งหลายข้ามออกจากขันอายตนะถ้าตุเรียกว่าสังสาระสาครทะเลคือขันธธาตุอายตนะเนี่ยนะ ด้วยอธิการบารมีนี้อธิการแปละวะ่าการทำวิเศษยิ่งการสละชีวิตเป็นผู้ตบูชานอนคว่าหน้าลงบนแผ่นดินในเปลือกตมอันนี้เนี่ยที่เราบําเพ็ญในพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษผู้สูงสุดเราบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วจักยังหมูชนเป็นอันมากให้ข้ามสังสาระสาคลเราตัดกระแสะแห่งสังสาระกาจัดพสามได้แล้วจักสู่ธรรมนานวาคืออริยมรรค จากอย่างโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามสังสาระสาครอันนี้เป็นความปรารถนาพราะเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเรียกว่าอภินิหารเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแต่ประชุมครบองค์แปดพอดีตรงนี้อธิบายคําว่ากิเลสนิ ด, นดนนเล็กน้อยนะประโยชน์อะไรที่เราจะเผากิเลสในวันนี้หรือว่าถ้าเราปรารถนาเราก็สามารถจะเผากิเลสได้ในวันนี้ ธรรมชาติเราใดย่อมยังใจให้เศร้ามองให้เดือดร้อนเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ากิเลสมีส0บกองราคักราคะเป็นต้นนั่นเองนะราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิพวกนี้เรียกว่ากิเลสเครื่องยังใจให้เศร้ามองทำจิตใจให้เดือดร้อนเร่าร้อนเนี่ยนะชาปเยที่บอกว่าถ้าปรารถนาเราพึงเผาชาปณะนะชาปณกิจเผาศพนะ ชาปนะคือทำให้ไหม้ถ้าเราต้องการปรารถนาเราจะเผากิเลสให้ไหม้เป็นจุนวิจุนขณะนี้แหละหลายคนบอกแหมทำไมไม่ถ้าถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเรานะไม่ปล่อยโอกาสนี้แน่นอน น, นะนะบทว่าอัญญตะกะวะเสนะเนี่ยนะได้แก่ด้วยเพศที่ไม่ปรากฏอัญญาตะกะแปลว่าไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะไม่มีใครรู้จักหรือว่าซ่อนตัวเองแบบแหม คือคือมาพูดแบบมีคนมีมาน่าเหมือนว่าไอาระดับเราเนี่ยจะไปนั่งแบบซ่อนเร้นอยู่ได้ยังไงว่างั้นอธิบายว่าก็เราพึงทําอาสวะให้สิ้นเหมือนภิกษุทั้งหลายในพระศาสนานี้หรือใช้คําว่าภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะพระพระอรหันทรูปหนึ่งในจํานวนพระอรหันต์ทั้งหลายในจํานวนพระอรหันต์เป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะประโยชน์อะไรว่างั้น เราพึงบำเพ็ญพุทธกรกะธรรมธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้ากระทำ ม, มหาปัต ภ, ภีคือแผ่นดินให้วันไว้ในสมัยปฏิสนธิเพราะว่าขณะที่ท่านมาปฏิสนธิในพระคันก็แผ่นดินไหวประสูติแผ่นดินก็ไหวตรัสรู้แผ่นดินก็ไหวประกาศพระธรรมจักให้เป็นไปก็หวั่นไห้มันจักเป็นผู้ตรัสรู้เองนะ สัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะสัมมาตัวนั้นแปลว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะเฉพาะคําว่าสัมพุทโธตัวแรกสัมตัวหลังเนี่ยแปลว่าตรัสรู้เองเนี่ยนะวันจักตรัสรู้เองเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าก็คือเรียกว่าพระสัมพุทธเจ้ายังสัตว์ให้อยังสัตว์ให้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราพึงเป็นผู้ข้ามเองแล้วก็ยังสัตว์อื่นให้ข้ามจากสังสารสาครเราเป็นผู้หลุดพ้นเองแล้วก็ยังสัตว์ให้ หลุดพน้นจากสาค็อเรนนะข้ามเองก็ติโนตาเรยังใช่ไหมหลุดพน้นก็มุตโตโมเจยังเพราะนเราข้ามเองแล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามด้วยเราหลุดพน้นแล้วก็จะให้สัตว์อื่นหลุดพน้นด้วยเนี่ยนะพุทโธโพเทยังมุตโตโมเจยังตินโนตาเรยังเป็นต้นนั่นเองแล้วถามว่าเอาใค ร, ใครบ้างอะที่จะช่วยให้ข้ามโลกพร้อมทั้งเทวโลกอาธิการเรนะหมายความว่าแล้วเอกปราถนามันไม่ยากใช่ไหม แล้วถามเอาอะไรมาเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาบอกอธิการณนะด้วยอธิการอันนี้คือด้วยสการะอันวิเศษนี้สักการะวิเศษอะไรอะไรวิเศษคือการสละชีวิตของตนเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วนอนเหนือหลังเปลือกตมนี่เรียกว่าอธิการสุดยอดการเสียสละจริงๆนะ น, นะไม่ได้เพราะว่าโลกนี้มันแปลว่าถามว่าการลงทุนด้วยแก้วแวนเงินทองสละข้าวของออกไปนี่ก็ถือว่าลงทุนพอสมควร น, นะใช่ไหมแต่ถ้าลงทุนด้วยชีวิตล่ะ ถือว่ามันไม่มีการลงทุนไหนจะยิ่งใหญ่กว่าการลงทุนด้วยชีวิตอีกแล้วมันอาธิการคือสละชีวิตเป็นพุทธบูชาครั้งนี้จงเป็นไปเพื่ออาจารย์าถาเขยกตัวอย่างว่าพึงเป็นผู้ข้ามได้เองแล้วยังสัตว์อื่นให้ข้ามได้ด้วยก็คือเตนโนตาเรยังมุตโตโมเจยังแล้วก็พุทโธโพเทยังเป็นต้นนั่นเองบทว่าสังราสังสาระโสตังกระแสแห่งสังสารเนนะโสตแปลว่ากระแสสังสาระก็คือ ขันธานังปฏิปาติธาตุอายตนานะจะอพโินนาวัตมานาสังสารโรติปะุจจติเนี่ยนะคำว่าสงสารเนี่ยแปลว่าการท่องเที่ยวไปทางโน้นทางนี้ไปในกำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7และสัตาวาด9ด้วยอำนาจกรรมตัวแทนของคำว่าวิบากเนี่ยนะวิบากเนี่ยคือสังวัตะเนี่ยมี3กรรมวัตวิปากวัตและกิเลสวัตเนี่ยนะ วั ต, ตะสามในตัวนี้โดยเฉพาะกรรมวัตคือกำเนิดสี่วิปากวัตเนี่ยนะถ้าขยายออกมาแล้วก็คือพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาสเก้ากรรมนี่แหละเป็นตัวเชื่อมสืบต่อให้วิปากวัตเหล่านั้นเกิดขึ้นกรรมนี่แหละเป็นเหตุสร้างวิปากวัตเหล่านั้นให้เกิดขึ้นแนะอะไรเป็นตัวเชื่อมก็คือกิเลสทั้งหลายพราะการท่องเที่ยวไปในกำเนิดคติวิญญาณทิติสัตตาวาส คือลำดับสืบต่อสืบเนื่องไปแห่งขันธาตุอายตนะเป็นไปในภพสามกำเนิดสี่โดยเป็นเหตุเป็นผลตัวที่เชื่อมเหตุเชื่อมผลให้ไหลสืบเนื่องไปเรียกว่าสังสาระสังสาระคือขันอายตนะธาตุเหล่านั้นด้วยไหลไปเป็นกระแสด้วยเรียกว่าสังสารโสตะกระแสสังสารวัตรกระแสแห่งสังสารวัตรเรียกว่าสังสารโสตะอธิบายว่า ตัดกระแสตันหาอันเป็นเหตุแห่งสังสาระสังสารวัตเนี่ยตัดจริงๆไม่ได้ตัดที่ผลแต่ถอนที่เหตุคือตันหาตโยพระเวเนี่ยนะตโยพระเวเนี่ยมาจากอาทิตย์กำจัดพพสามได้แล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาเนี่ยนะเราตัดกระแสแห่งสงสารกำจัดพพสามได้แล้วขึ้นสู่ธรรมนาวา ธรรมนาวาเป็นชื่อของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จริงอยู่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นท่านเรียกว่าธรรมนาวาเพราะเป็นเครื่องข้ามจากโอคาสีแต่อภินิหารย่อมสําเร็จแก่ท่านผู้ปรารถนาะความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะความประชมพร้อมแห่งธรรมะ8ประการหมายความว่าใครปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาะไปปรารถนาได้ไม่ห้ามการปรารถนาะแต่จะ สำเร็จจริงต่อเมื่อประชุมองค์8ประการหนึ่งความเป็นมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์สัตว์ต่างสองสมบูรณ์ด้วยเพศเล็งขสัมปติ3เหตุ4พบศาสดา5บรรพชา6สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม7เมียที่การ8มีฉันทะอภินิหารเนี่ยเคยกล่าวมาแล้วใช่ไหมในหน้า152ที่บอกว่าอภินิหารโร ค, ค ว, ว่าการผูกใจเพื่อความเป็น พระพุทธเจ้าการนอนอธิษฐานความเพียรว่าถ้าเราไม่ได้รับคําพยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกขึ้นคํคความต้องการความปรารถนาอย่างนี้เรียกว่าอภินิหารอภินิหารนั้นที่จะสำเร็จสมความปรารถนาได้ต้องประชุมพร้อมด้วยองค์8ปหนึ่งมนุษสัตว์ตังความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ตั้งอยู่ในอัตภาพเป็นมนุษย์เท่านั้นแล้วปรารถนาเป็น พระพุทธเจ้าย่อมไม่สําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในชาติเป็นนาคเช่นเกิดในกําเนิดงูเกิดในกําเนิดนกเป็นต้นเนี่ยนะในกําเนิดเดรัฉานเป็นต้นไม่สําเร็จเพราะอะไรต่อว่าเพราะนาคเป็นต้นเป็นอเหตุกสัตว์ปฏิสนที่มันต้องด้วยติเหตุกะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นต้องเป็นมนุษย์ก่อน แต่ว่าระหว่างนั้นอาจจะ ก, กลับมาเกิดเป็นนาคได้ น, นี้ไม่ห้ามไม่เช่นผู้ริทัตตะสังคป า, าละจาไปะยะเป็นต้น น, นนั้นไม่ได้ห้ามอะไรแต่หมายใา้ ว, ว่าครั้งแรกที่จะประชุมคุณธรรมที่ทําให้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จนั้นต้องเป็นมนุษย์ก่อนสองลิงค์ข้าสมปติความว่าความปรารถนาย่อมสําเร็จแม้แก่ผู้อยู่ในอัตภาพเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นต้องเล็งคะคือต้องเพศ ช, ชายไม่สําเร็จแก่เพศห ญ, ญิง ไม่สาเร็จแก่บรรดาคนไร้เพศคนไม่มีเพศหรือว่าคนสลับเพศไม่ใช่เพราะอะไรก็เพราะว่าลักษณะไม่สมบูรณ์เพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ใช่สตรีคือสตรเีเป็นผู้หญิงก็ปรารถนาไม่สาเร็จเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ในภาวะชายเรา ะ, ะสตรีไม่ข้อที่พระอรหันตจะเป็นข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสตรีไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาส เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้สําเร็จต้องเป็นเพศ ช, ชายแล้วได้รับพุทธพยากรไปแล้วท่านก็ไม่กลับไปเป็นหญิงอีกเนี่ยนะข้อสเหตุุเหตคนที่ปรารถนาจะสําเร็จได้ต้องเป็นบุรุษที่ถึงพร้อมด้วยเหตุหมายคือว่าสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ในอัตภาพนั้นได้อะเช่นสุมเมศบัณฑิตถ้าท่านปรารถนาะท่านจะบรรลุเลย แต่ไม่ปรารถนาถ้าคนที่ยังไม่มีอุปนิสัยพอที่จะบรรลุเป็นผ้าอารหันได้ก็ยากขอ้ yeah. ขอสศรัทธารัศนังถ้าบุรุษปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าซึ่งยังทรงพระชนอยู่เท่านั้นความปรารถนาจึงจะสำเร็จถ้าปรารถนาในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ดับขันปริญนิพพานไปแลว้ว หรือไปปรารถนาที่เจดีที่โคนต้นโพที่พระพุทธรูปพุทธปฏิมาเนี่ยนะหรือไปปรารถนาในสำนักพระประเจกหรือพระพุทธสาวกไม่สําเร็จอันนี้หมายความว่าปรารถนาครั้งแรกที่ที่จะได้รับพยากร น, นะต้องปรารถนาเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าแต่หลังจากนั้นก็คนลพเรื่องกันแล้วแต่พูดถึงว่าไอ้ปรารถนาที่จะได้รับพยากรณ์ต้องปรารถนาต่อหน้าพระพุทธเจ้าถ้าครั้งนั้นผ่านได้ก็ครั้งหลังก็ไม่ใช่ปัญหาแล้ว ถามว่าทำไมต้องปรารถนาตอนหน้าเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าก็เพราะพระประเจกพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกไม่สามารถที่จะรู้ถึงพระ菩萨และอภั พ, พั萨แล้วกําหนดยานเป็นเครื่องกําหนดกรรมกําหนดวิบากเนี่ยนะแล้วพยากร์ได้คือคือการปรารถนาครั้งที่จะให้สําเร็จได้จริงเนี่ยนะที่จะแน่นอนมันต้องได้รับการพยากรณ์พระประเจกพยากรได้ไหม ไม่ได้เนี่ยนะพระพุทธสาวกทั้งหลายเป็นต้นก็พยากรณ์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่ท่านจะรู้พระ菩萨อภสั萨ผู้พอจะบรรลุได้บรรลุไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ฐานะไม่ใช่วิสัยของพระประเจกหรือพุทธสาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นจําต้องปรารถนาต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า, ปะะาแปลว่าสรัทถาทัศน์งังต้องเห็นพระ อ, องค์ต่อหน้าข้อที่ 5. ้ปปปชาปความปรารถนาย่อมสําเร็จแม้แก่ผู้ปรารถนาในสํานักของ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องในพุทธสำนักอ่ะนะหรือต้องบวชหมายว่าต้องอยู่ในเพศนักบวชจะเป็นนักดาบทก็ได้ต้องเป็นกรรมะกิริยาวาทีอ่นะหรือจะเป็นพระพิสุสาวกก็ได้เนี่ยหรือเป็นพวกกรรมะกิริยาวาทแปลว่าผู้มีทิฏฐิเชื่อก ร, รมเชื่อความพยายามกรรมะก็คือเชื่อบุญเชื่อกรอ่ะนะ แล้วก็กิริยาก็คือเชื่อการกระทําว่าการกระทําไม่เป็นหมันไม่ไร้ผลนะก็คือมีกรรมสกตาระนั่นเองอย่างเช่นสุเมศเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เป็นบรรปะชิตเท่านั้นจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นเครื่อหับรรลุไม่ได้เพราะว่าคนที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าบรรลุด้วยนักบวชหรือเป็นฆราวาสบอกเป็นนักบวชเพราะฉะนั้นการปรารถนาต้องปรารถนาตอนที่เป็นนักบวชเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นบรรปะชิตคือนักบวชเท่านั้นในการ ตั้งปณิธานความปรารถนามาตั้งกันแรกนั้นตอนแรกที่ปรารถนาต้องปรารถนาให้เป็นนักบวชก่อนคุณสมบัติข้อที่6ความปรารถนาย่อมสําเร็จแม้แก่บัญปชิตผู้ได้สมาบัติ8และอภิญญาหเท่านั้นไม่สําเร็จแก่ผู้เว้นจากคุณสมบัติเหล่านี้เพราะอะไรเพราะเป็นคนไร้คุณสมบัติจะไม่มีโพธิโพธิยามคือถ้าไม่มีอภิญญา5สมาบัติ8เนี่ยค้นคว้าบารมีได้เองไหม คือกำลังคืออภิญยาห้าสมาบัติ8เป็นตัวเป็นตัวอะไรเป็นตัวฐานที่สำคัญในการค้นคว้าเลือกเฟ้นหาพุทธกระกะธรรมเลือกเฟ้นหาพุทธธรรมสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะจะต้องมีฐานฐานที่รองรับที่มั่นคงที่สุดในโลกคืออภินยาห้าและสมาบัติ8ต่อไปอธิการโรเนี่ยนะ ต้องเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายสละชีวิตของตัวเองเพื่อพระรัตนตรัยได้ความปรารถนาของผู้ที่สละชีวิตเพื่อพระรัตนตรัยหรือเพื่อพระพุทธเจ้าได้อันเนี้ยจึงจะสําเร็จนะคนที่ไม่สละขนาดนั้นสําเร็จไม่ได้สุดท้ายสําคัญมากคือชันทตาความพอใจอย่างแรงกล้าเพราะว่าผู้ใดถึงพร้อมด้วยพินิหารก็ต้องมีชันทะ มีความพยายามมีความอุตสาหะอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยนะต้องใหญ่มากเหลือเกินต้องสแสวงหาคุณธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ต้องมีใจรักในการสแสวงหาประโยชน์เพื่อพุทธ ก, กัลกธรรมทั้งหลายคือมีใจรักอย่างแรงกล้าที่จะเลือกเฟ้นสแสวงหาบารมีเพื่อสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าความปรารถนาของผู้นั้นสําเร็จได้ถ้า ไม่มีใจรักอย่างแรงกล้าปรารถนาอย่างมั่นคงในโพธิญาณในการแสวงหาคุณธรรมเพื่อโพธิญาณจริงก็ไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องมีใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆต้องชอบมากจริงๆแหละนะชอบอะไรรักเกินชีวิตอ่ะนะอย่างที่เขาอะไรนะพระเวสสันดรเป็นต้นหรือหลายๆคนท่านบอกว่าอย่างพิธุระอะไรนะมูฆปักขาพระเตมีบ่ายท่านบอกว่าพ่อแม่ท่านก็รักตัวท่านเองท่านก็รัก ถ้าเป็นพระเวสสันดรเขบอกว่าลูกท่านก็รักภริยาท่านก็รักแต่ว่าท่านรักโพธิญาณมากกว่าที่พูดไปแล้วทั้งหมดคือรักมากกว่าตัวเองรักมากกว่าราชสมบัติรักมากกว่าบุตรภรรยารักมากกว่าอวัยวะรักมากกว่าชีวิตรักมากรักโพธิญาณมากขนาดนั้นเนี่ยนะถ้าใจรักอย่างนั้นได้ก็สําเร็จใช่ไหมตัวอย่างต้องขนาดนั้นก็เลยยกอุปมาว่าผู้มีฉันทะใหญ่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าดังต่อไปนี้ ผู้ใดถ้าใครมาคล้ายๆกับพูดขูน่นะครับอกว่าผู้ใดสามารถข้ามห้องจักรวาลทั้งสิน้นที่มีน้ําเป็นอันเดียวกันด้วยกําลังแขนของตนเนี่ยว่ายข้ามน้ําว่ายน้ําข้ามจักรวาลได้ผู้นั้นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้คนที่ฟังปั๊บก็บอกว่าไม่สําคัญกิจนี้ทําได้ยากสําหรับตนโอ้แค่นี้ ก็ว่ามีใจประกอบด้วยอุตสาหะอย่างใหญ่อย่างนี้ว่าเราจะต้องว่ายน้ําข้ามห้องจักรวานนี้ไปให้ถึงฝั่งถ้าใจนี่ใหญ่ขนาดนี้ได้ก็ปรารถนาความปรารถนาย่อมสําเร็จแก่ผู้นั้นไม่สําเร็จแก่คนนอกนี้ก็คิดดูจมในทะเลว่ายน้ําข้ามทะเลได้อะก็แล้วกันขนาะยังไม่เห็นฝั่งเลยฝั่งมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่ายถูกฝั่งมัางหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ท่านก็ว่ายก่อนละงั้น เพราะฉะนั้นท่านสุเมธบัณฑิตรวบรวมธรรมะแประการเหล่านี้แล้วทำอภินิหารปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นอนลงฝ่ายพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรประทับยืนประชิดใกล้ศีรษะของสุเมธบัณฑิตเห็นสุเมธบัณฑิตนอนอยู่เหนือหลังเปลือกตมทรงอนาคาตังสยานพระพุทธวงเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงด้วยอตีตังสยานใช่มถ้าพระพุทธเจ้าพยากรณ์สุเมธบัณฑิตด้วยอนาคาตังสยานรู้อนาคต ว่าดา บ, บทผู้นี้ทําอพิณิหารเพื่อปราเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านอนลงแล้วความปรารถนาของเขาจาักสําเร็จหรือไม่หนอพระองค์ก็พิจารณาทบทวนดูก็ทราบว่าล่วงไปผ่านไปสีอสงไขยกาไรแสนกับนับแต่กับนั้นนะนะขณะนั้นนะ่ะเขาจากเป็นพระพุทธเจ้าพระนามวโคตมะประทับยืนพยากร j u ท่ามกลางบริษัทว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายอันเรียกพระพิสูจนี่แสนรูปเหล่านั้นว่า พวกเธอเห็นดาบทผู้มีตะบะสูงซึ่งนอนอยู่เหนือหลังเปลือกตมผู้นี้ไหมหนอะพิสูจน์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าเฮนพระเจ้าข้าพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดาบทผู้นี้ทำมาพิณิหารปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงนอนลงความปรารถนาของดาบทผู้นี้จักสําเร็จในที่สุดสี่อสงไขยกาไรแสนกับนับแต่นี้ไปดาบทผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในโลก ในอัตภาพนั้นในอัตภาพคือชาติเป็นพระพุทธเจ้านั้นดาบทมีนครชื่อว่ากระบิลพัฒน์เป็นที่ประทับจักมีพระชนนีพระนามว่ามหามายาพระชนกคือพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุโธธนะพระอัครสาวกทั้งสองชื่อว่าอุปติสะและโกริตะพระพุทธอุปถาคชื่อว่าอานันท์ะอัครสาวิกาทั้งสองชื่อว่าเคมาและอุบลวานา ดาบทผู้มียานกล้าจาักออกมาหาพิเนศกรมตั้งความเพียรอย่างใหญ่รับข้าวมาทุกปายาตที่นางสุชาดาถวายที่โคนต้นใสโคนโคนต้นนี้โครดเนี่ยนะสเสวยที่ฝังแม่น้ำเนรัญชาราแล้วขึ้นสู่โพที่มันทสถานจักตรัสรู้ที่โคนต้นโพใบต้นอสัตถพฤกโคนโคนโพใบเนี่ยนะแล้ว เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวให้พระสารีบุตรฟังว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรผู้รู้โลกโลกวิทูเนี่ยนะทรงรับทักษิณาประทับยืนใกล้ๆศีรษะได้มีพระพุทธรัมมัดกระเราดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจงดูชดินดาบทผู้นี้ซึ่งมีตะบะสูงจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกในกับซึ่งนับไม่ได้ตั้งแต่กับนี้ไปตถาคตจักเสด็จออก จากกรุงกบิลพัทที่น่าเรื่อนรมทรงตั้งความเพียรรมทุกขะกิริยาพระตถาคตประทับนั่งณโคนต้นอชาชปาลณิครนธทรงรับข้าวมาทุกปายาณณที่นั้นแล้วเสด็จสูริมฝังแม่น้ำเนรัญชาสแสดงว่าเหตุการณ์เหล่าใดเหล่าใดทุกอย่างพระพุทธเจ้าพิจารณามหมดแล้วอย่างพวกเรามานั่งเรียนนี่คิดว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมนรู้ไหมคิดเอากนแลวกัน ถ้าพระ อ, องค์รู้เนี่ยพระ อ, องค์จะนุโมทนาหรือกรุณา <_ d ata> เออทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้นะ <_ d ata> จริงอะทุกอย่างไม่มีอะไรที่พระ อ, องค์ไม่รู้ร้องเหมือนกันฮ <_ d ata> หลอกใครจะหลอกได้คือหมายความว่าคือคือของเราไม่รู้ก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นไม่จําไม่รู้ด้วยถึงเราไม่รู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไม่รู้พระพุทธเจ้าในอดีตในอนาคตทั้งหมดรู้หมดแล้วว่าเราทําอะไร น, น, นะนแล้วจะไปจบที่ไหนอะไรยังไงแต่เรารับผิดชอบตัวเองนะเพราะพะุทธเจ้ารู้แต่เรารับผิดชอบเราเองนะนั่นเถอะแล้วก็พระองค์ก็เลยสามารถที่จะพยากรณ์ได้ทุกเรื่องนะแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นจะมีประโยชน์นะพระองค์จึงพยากร น, นะนะเล่าต่อไปเองนิดหนึ่งว่าพระชินเจ้าพระองค์นั้นสเสวยมัทุปายาที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราแล้วเสด็จเข้าสู่โคนโพรพฤกตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งไว้แล้ว ตอนน้นพระผู้ยอดเยี่ยมมีพระมหายดทรงธ ร, รประทักษินโพที่มัณฑสถานจักตรัสรู้นครโโภบยพระชนนีพระพุทธมารดาของดาบทผู้นี้จะมีนามว่ามายาพระพุทธบิดาจะมีพระนามว่าสุดโทธนะดาบทผู้นี้จะมีพระนามว่าโคตมะโกลิตะและพระอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นแลว้ว จักเป็นอักระสาวกพุทธอุปถาชื่อว่าอานน์จักบำรุงพระชินะผู้นี้พระเขมาและพระอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะมีจิตสงบตั้งมั่นแล้วจักเป็นอักระสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าอาศัศระต้นโพใบตระกูลไซชนิดหนึ่งเนี่ยนะจิตตะและหัดถาลวกะเนี่ยนะอาลวกะนะ อุบาสกหัตถาลวกะก็คืออลวกกะที่รับจากมือของยักษ์คือยักษ์เนี่ยรับจากราชบุรุษไปถวายพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้ามอบคืนให้ไปดูแลเรียกเลยเชื่อว่าหัตถาลวกะจะเป็นยอดอุปถากอุตราและนันทามารดาจะเป็นอุยอดอุปถายิกามันก็ส่วนรายละเอียดคําอธิบายทั้งหมดก็คงเป็นครั้งหน้า สำหรับครั้งนี้ก็คือว่าสมควรแก่เวลาหอนะนะก็อยากให้กล่าวรัตนสูตรก่อนที่จะนะให้เพื่อความสวัสดีมีชัยประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปกันนะอดูรัตนสูตรหน้า5หน้า56